เชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิยานเถระหลวงข้อชาสุภัทโทแห่งวัดหนองป่าพมเรื่องสัมมาปฏิปทา วันนี้พวกท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาอบรมที่วัดวันนาโพธิยานเขื่อนซิริงทอนสถานที่ก็สงบระ ง, งับเป็นอย่างดีแต่ว่าสถานที่สงบนั้นถ้าเราไม่สงบมันก็ไม่มีความหมายทุกๆแห่งสถานที่มันสงบทั้งนั้นแหละที่มันไม่สงบก็เพราะคนเราแต่คนที่ไม่สงบไปอยู่ที่สงบก็เกิดความสงบได้ สถานที่มันก็อย่างเก่าของมันนั่นแหละแต่ว่าเราต้องปฏิบัติให้ถึงความสงบนั้นให้พวกท่านทั้งหลายเข้าใจว่าการปฏิบัตินี้เป็นของยากฝึกอะไรอย่างอื่นๆทุกอย่างมันก็ไม่ยากมันก็สบายแต่จิตใจของมนุษย์ทั้งหลายนี้ฝึกได้ยากฝึกได้ลำบาก องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านก็ฝึกจิตจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากอะไรทั้งหมดในรูปธรรมนามธรรมนี้มันรวมอยู่ที่จิตเช่นว่าตาหูจมูกลิ้นกายเหล่านี้ส่งไปให้จิตอันเดียวเป็นผู้บริหารการงานรับรู้รับฟังผิดชอบจากอายตนะทั้งหลายเหล่านั้นฉะนั้นการอบรมจิตนี้จึงเป็นของสำคัญ ถ้าใครอบรมจิตของตนให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วปัญหาอะไรทุกอย่างมันก็หมดไปที่มันมีปัญหาอยู่ก็เพราะจิตของเรานี่เองยังมีความสงสัยไม่มีความรู้ตามความเป็นจริงจึงเป็นเหตุให้มีปัญหาอยู่ ฉะนั้นให้เข้าใจว่าอาการทั้งหลายที่จะต้องปฏิบัตินั้นพวกท่านทั้งหลายก็ได้เตรียมมาพร้อมแล้วทุกคนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนที่ไหนอุปกรณ์ที่ท่านทั้งหลายจะนำไปปฏิบัตินั้นพร้อมไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามพร้อมอยู่มีอยู่เป็นของพร้อมอยู่เหมือนกันกับธรรมะธรรมะนี้เป็นของพร้อมอยู่ทุกสถานที่ อยู่ที่นี่ก็พร้อมอยู่ในส้วมก็พร้อมบนบกก็พร้อมในน้ำก็พร้อมอยู่ที่ไหนมันก็พร้อมอยู่ทั้งนั้นแหละธรรมะเป็นของสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ว่าการประพฤติปฏิบัติของเรานี้ยังไม่พร้อมองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านมีรากฐานให้เราทั้งหลายปฏิบัติ ให้รู้ธรรมะไม่เป็นของมากมันเป็นของน้อยแต่เป็นของที่ถูกต้องเช่นว่าจะเปรียบเทียบให้ฟังเรื่องขนถ้าเรารู้จักว่าอันนี้มันเป็นขนรู้จักขนเส้นเดียวเท่านั้นขนในร่างกายเรานี้ทุกเส้นแม้ในร่างกายคนอื่นทุกเส้นก็รู้กันหมดทั้งนั้นแหละรู้ว่าเป็นขนทั้งนั้นหรือเส้นผมรู้จักผมเส้นเดียวเท่านั้นผมบนศรีรษะของเรา บนศีสากของคนอื่นก็รู้หมดทุกเส้นเหมือนกันที่รู้ก็เพราะว่ามันเป็นเส้นผมเหมือนกันเรารู้ผมเส้นเดียวแต่ก็รู้ทุกเส้นผมหรือจะเปรียบประหนึ่งว่าเรารู้จักกับคนลักษณะของคนเหมือนตัวเรานี้จะพิจารณาสกลกายทุกประการแจมแจ้งในคนคนเดียวคือตัวเราพบเห็นสภาวะทั้งหลายในตัวเราคนเดียวเท่านี้ คนในสกลโลกสกลจั ก, กรวาลนี้เราก็รู้กันหมดทุกๆคนเพราะว่าคนมันก็เหมือนกันทั้งนั้นธรรมะนี้ก็เป็นอย่างนี้เป็นของน้อยแต่ว่ามันเป็นของมากคือความจริงพบสิ่งเดียวและมันก็พร้อมกันไปหมดเมื่อเรารู้ความจริงตามเป็นจริงแล้วปัญหามันก็หมดไป แต่ว่าการปฏิบัตินี้มันยากมันยากเพราะอะไรมันยากเพราะตัณหาความอยากถ้าไม่อยากก็ไม่ได้ปฏิบัติถ้าปฏิบัติเพราะความอยากก็ไม่พบธรรมอันนี้มันเป็นปัญหาอยู่อย่างนี้ฉะนั้นในการประพฤติปฏิบัตินี้มันมีความยุ่งยากมีความลำบากถ้าไม่มีความอยากก็ไม่มีกำลังที่จะปฏิบัติถ้าปฏิบัติเพราะความอยากก็วุ่นวายไม่มีความสงบ ทั้งสองอย่างนี้เป็นเหตุอยู่เสมอดังนั้นท่านทั้งหลายลองคิดดูสิว่าจะทำอะไรอะไรถ้าไม่อยากทำมันก็ทำไม่ได้มันต้องอยากทำมันถึงทาได้ถ้าไม่อยากจะทำก็ไม่ได้ทำก้าวไปข้างหน้ามันเป็นปัญหาถอยกลับมามันก็เป็นตัญหาทั้งนั้นดังนั้นพระโยคาวจรเจ้า ผู้ประพฤติปฏิบัินี้จึงว่าเป็นของยุ่งยากเป็นของลำบากที่สุดอยู่เหมือนกันที่เราไม่เห็นธรรมะก็เพราะตัณหาบางทีมันอยากอย่างรุนแรงคืออยากจะเห็นเดี๋ยวนี้ธรรมะเนี่ยไม่ใช่ใจเราใจเราไม่ใช่ธรรมะธรรมะมันเป็นอย่างหนึ่งใจเรามันเป็นอย่างหนึ่งมันคนละอย่างกัน ฉะนั้นแม้เราจะคิดอย่างไรก็ตามอันนี้เราชอบเหลือเกินแต่มันไม่ใช่ธรรมะอันนี้เราไม่ชอบมันก็ไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่ว่าเราคิดชอบใจอะไรอันนั้นเป็นธรรมะเราคิดไม่ชอบใจอะไรอันนั้นไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่อย่างนั้นแท้จริงใจของเรานี้เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นอย่างต้นไม้ตามป่านั่นแหละถ้ามันจะเป็นขื่อเป็นแปรเป็นกระดานมันก็มาจากต้นไม้แต่ว่ามันเป็นต้นไม้อยู่ ไม่ใช่คือไม่ใช่แปรมันเป็นต้นไม้อยู่มันเป็นธรรมชาติเท่านั้นก่อนอื่นที่จะทำประโยชน์ได้ก็ต้องเอาต้นไม้มาแปรรูปออกไปเป็นขือเป็นแปรเป็นกระดานเป็นโน่นเป็นนี่เป็นต้นไม้ต้นเดียวกันแต่มันแปรรูปมาเป็นหลายอย่างเมื่อรวมกันมันก็เป็นต้นไม้อันเดียวกันเป็นธรรมชาติ ถ้าหากว่ามันเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์ขึ้นเฉพาะกับบุคคลที่ต้องการจิตใจของเราก็เหมือนกันฉันนั้นมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งอยู่อย่างนั้นมันรู้จักการนึกคิดรู้จักสวยไม่สวยตามธรรมชาติของมันฉะนั้นจิตใจเรานั้นจะต้องถูกฝึกอีกครั้งหนึ่งก่อนถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่ได้มันเป็นธรรมชาติฝึกให้รู้ว่ามันเป็นธรรมชาติ เราก็มาปรับปรุงธรรมชาตินั้นให้ถูกต้องตามความต้องการของมนุษย์คือธรรมะธรรมะนี้จึงเป็นของที่พวกเราทั้งหลายจงปฏิบัติเอาเข้ามาในใจเอาไว้ในใจของเราถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้พูดกันตรงตรงง่ายๆอ่านหนังสือเฉยๆก็ไม่รู้เรียนเฉยๆก็ไม่รู้มันรู้อยู่แต่มันไม่รู้ตามที่เป็นจริง คือมันรู้ไม่ถึงอย่างกระโถนใบนี้ใครๆก็รู้ว่ามันเป็นกระโถนแต่ไม่รู้ถึงกระโถนทำไมไม่รู้ถึงกระโถนถ้าจะเรียกกระโถนว่าหม้อท่านจะไปยังไงทุกทีที่ผมใช้ท่านว่าเอาม่อมาให้ผมด้วยท่ะมันก็ต้องขัดใจท่านทุกทีทำไมก็เพราะว่าท่านไม่รู้กระโถนถึงกระโถน ผมจะใช้ให้ท่านเอากระโถนมาแต่บอกให้เอาหม้อมาให้ผมหน่อยท่านก็ไม่พบหม้ออยู่ที่ไหนหลวงพ่อก็ชี้ไปที่กระโถนนั่นแหละมันก็ไม่เข้าใจขัดใจกันเท่านั้นปัญหามันก็เกิดขึ้นมาทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นเพราะท่านไม่รู้กระโถนถึงกระโถนถ้าท่านรู้กระโถนถึงกระโถนแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรท่านก็จะหยิบวัตถุอนั้นมาให้เลยทาไมถึงเป็นอย่างนั้น เพราะกระโถนใบนี้น่ะมันไม่มีเข้าใจไหมมันมีขึ้นมาเพราะเราสมมุติขึ้นว่านี่คือกระโถนมันก็เลยเป็นกระโถนสมมุติอันนี้มันรู้กันทั่วประเทศแล้วว่ามันเป็นกระโถนอย่างนี้แต่กระโถนจริงน่ะมันไม่มีหรือใครจะเรียกให้มันเป็นหม้อมันก็เป็นให้เราอย่างนั้นจะเรียกให้เป็นอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นนี่เรียกว่าสิ่งสมมุติ ถ้าเรารู้ถึงกระโถนแล้วเขาจะเรียกว่าหม้อก็ไม่มีปัญหาจะเรียกอะไรมันก็หมดปัญหาแล้วเพราะเรารู้ไม่มีอะไรปิดบังไว้นั่นคือคนรู้จักธรรมะทีนี้ย้อนเข้ามาถึงตัวเราเช่นเขาจะพูดว่าท่านนี้เหมือนคนบ้านนะท่านเนี่ยเหมือนคนไม่พอคน อย่างนี้เป็นต้นก็ไม่สบายใจเหมกันทั้งทั้งที่ตัวเราไม่เป็นจริงอะไรก็ยากอยู่แล้วอยากได้อยากเป็นเพราะความอยากได้อยากเป็นมันไม่รู้จักพอเพราะไม่รู้ตางความจริงนั่นเองฉะนั้นธรรมะถ้ารารู้จักกลัสรู้ทำตามความเป็นจริงแล้วโลภโกรธหลงมันจึงจะหมดไปเพราะมันไม่มีอะไรทั้งนั้นอันนี้ควรปฏิบัติ ปฏิบัติทำไมมันถึงยากมันถึงลําบากเพราะว่ามันอยากพอไปนั่งสมาธิปุ๊บก็ตั้งใจว่าอยากจะให้มันสงบถ้าไม่มีความอยากให้สงบก็ไม่นั่งไม่ทําอะไรพอเราไปนั่งก็อยากให้มันสงบเมื่ อ, อยากให้มันสงบตัววุ่นวายก็เกิดขึ้นมาอีกก็เห็นสิ่งที่ไม่ต้องการเกิดขึ้นมาอีกมันก็ไม่สบายใจอีกแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนว่า อย่าพูดให้เป็นตัณหาอย่ายืนให้เป็นตัณหาอย่านั่งให้เป็นตัณหาอย่านอนให้เป็นตัณหาอย่าเดินให้เป็นตัณหาทุกประการนั้นอย่าให้เป็นตัณหาตัณหาก็แปลว่าความอยากถ้าไม่อยากจะทำอะไรเราก็ไม่ได้ทำอันนั้นปัญญาของเราไปถึงที่นี้มันก็เลยอู้เสียปฏิบัติไปไม่รู้จะทำยังไง พอไปนั่งสมาธิปุ๊บก็ตั้งความอยากไว้ก่อนแล้วอย่างพวกเราที่มาปฏิบัติอยู่ในป่านี่ทุกคนต้องอยากมาใช่ไหมนี่จึงได้มาอยากมาปฏิบัติที่นี้มาปฏิบัตินี่ก็อยากให้มันสงบอยากให้มันสงบก็เรียกว่าปฏิบัติเพราะความอยากมาก็มาด้วยความอยากปฏิบัติก็ปฏิบัติด้วยความอยาก เมื่อมาปฏิบัติแล้วมันจึงขวางกันถ้าไม่อยากก็ไม่ได้ทำจึงเป็นอยู่อย่างนี้จะทำอย่างไรกับมันล่ะรูปนามหรือสกลกายเหล่านี้มันดูได้ยากถ้าหากไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนแล้วมันเป็นตัวของใครอันนี้มันถึงแยกยากมันถึงลำบากเราจะต้องอาศัยปัญญาดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านจึงสอนว่า การกระทำก็กระทำด้วยการปล่อยวางการกระทำด้วยการปล่อยวางอันนี้ก็ฟังยากเหมือนกันถ้าจะปล่อยวางก็ไม่ทำเท่านั้นเพราะทาด้วยการปล่อยวางเปรียบง่ายๆให้ฟังเราไปซื้อกล้วยหรือซื้อมะพร้าวใบหนึ่งจากตลาดแล้วก็เดินหิ้วมาอีกคนนึงก็ถามท่านซื้อกล้วยมาทําไมซื้อไปรับประทานเปลือกมันต้องรับประทานด้วยหรือเปล่าไม่เชื่อแล้วไม่รับประทานแล้วเอาไปทําไมเปลือก หรือเอามะพร้าวใบหนึ่งมาก็เหมือนกันเอามะพร้าวไปทำไมจเจ้าไปแกงเปลือกมันแกนด้วยหรือเปล่าเอาไปทำอะไร่ะจะว่าอย่างไงเราจะตอบปัญหาเขาอย่างไงทำด้วยความอยากถ้าไม่อยากเราก็ไม่ได้ทำทำด้วยความอยากมันก็เป็นตัญหานี่ถึงให้มันมีปัญญานะอย่างกล้วยใบนั้นหวีนั้นเปลือกมันจะามาทานด้วยหรือเปล่าไม่ ท่านเอาถอยทำไมเปลือกมันเอาไปทำไมก็เพราะว่ายังไม่ถึงเวลาเอามันทิ้งมันก็หอเนื้อในของมันไปอยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าเรากล้วยข้างในมันทานแล้วเอาเปลือกมันโยนทิ้งไปก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ก็เหมือนกันการกระทําความเพียรก็เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าว่าอย่าทําให้เป็นตัณหาอย่าพูดให้เป็นตัณหาอย่าฉันให้เป็นตัณหายืนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ทุก ป, ประกาศ ท่านไม่ให้เป็นตันหาคือทำด้วยการปล่อยวางเหมือนซื้อมะพร้าวซื้อกล้วยมาจากตลาดนั่นแหละเราไม่ได้เอาเปลือกมันมาทานแต่เวลานั้นยังไม่ถึงเวลาจะทิ้งมันเราก็จะถือมันไว้ก่อนการประพฤติปฏิบัตินี้ก็เหมือนกันฉันนะั้นสมมติวิมุตติมันก็ต้องปนกันอยู่อย่างนั้นเหมือนกับมะพร้าวมันจะปนอยู่กับเปลือกทั้งกลาทั้งเนื้อมัน เมื่อเราเอามาก็เอามาทั้งหมดนั่นแหละเขาจะหาว่าเราทานเปลือกมะพร้าวอย่างไรก็ชังงเขาอะไรเรารู้จักของเราอยู่เช่นนี้เป็นต้นอันความรู้ในใจของตัวเองอย่างนี้เป็นปัญญาที่เราจะต้องตัดสินเราเองเนี่เรียกว่าตัวปัญญาดังนั้นการปฏิบัติเพื่อจะเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่เอาเร็วไม่เอาช้าช้าก็ไม่ได้เร็วก็ไม่ได้จะทําอย่างไรดีไม่มีช้าไม่มีเร็วเร็วก็ไม่ได้มันไม่ใช่ทาง ช้าก็ไม่ได้มันไม่ใช่ทางมันก็เป็นไปในแบบเดียวกันนี้แต่ว่าพวกเราทุกๆคนมันร้อนเหมือนกันมันร้อนพอทำปุ๊บก็อยากให้มันไปไวๆ ไ, ไม่อยากจะอยู่ช้าอยากจะไปหน้าการกำหนดตั้งใจหาสมาธิบางคนจึงตั้งใจเกินไปบางคนถึงกับอธิษฐานเลยจุดทูปปักลงไปกราบลงไป ถาธูปดอกนี้ไม่หมดข้าพเจ้าจะไม่ลุกจากที่นั่งเป็นกัรขาดมันจะล้มมันจะตายมันจะเป็นยังไงประชังหัวมันจะตายอยู่ที่นี่พออธิษฐานตั้งใจปุ๊บก็นั่งมันก็เข้ามารุมเลยพยายามานั่งแค่เดียวเท่านั้นเลยก็นึกว่าธูปมันคงจะหมดแล้วเลยลืมตาขึ้นดูสักหน่อยโอ้ยังเหลือเยอะกัดฟันเข้าไปอีกมันร้อนมันรนมันวุ่นมันวายไม่รู้ว่าอะไรเต็มทีแล้วนึกว่ามันจะหมด ลืมตาดูอีโอ้โหยังไม่ถึงครึ่งเสองทอดสามทอดก็ไม่ไหวเลยเลิกซะเลิกไม่ทำนั่งคิดอาภัพอับจนตัวเองมันโง่เหลือกเกินมันอาภัพอย่างนั้นอาภัพอย่างนี้นั่งเป็นทุกข์ว่าตัวเองเป็นคนไม่จริงคนอับ ป, ปีคนจันไรคนอะไรต่ออะไรวุ่นวายก็เลยเกิดเป็นนิวรณ น, นี่ก็เรียกว่าความพยาบาทเกิดไม่พยาบาทคนอื่นก็พยาบาทตัวเองอันนี้ก็เพราะอะไร เพราะความอยากความเป็นจริงนั่นน่ะไม่ต้องไปทำถึงขนาดนั้นหรอกความตั้งใจนะ่ะคือตั้งใจในการปล่อยวางไม่ต้องตั้งใจในการผูกมัดอย่างนั้นอันนี้เราไปอ่านตำราเห็นประวัติพระพุทธเจ้าว่าท่านนั่งลงที่ใต้ต้นโพนั้นท่านอธิษฐานจิตลงไปว่าไม่ตรัสรู้ตรงนี้จะไม่ลุกหนีเสียแล้วแม้วันเลือดมันจะไหลออกมาอะไรก็ตามทีเถอะ ได้ยินคำนี้เพราะไปอ่านดูแมเราก็จะเอาอย่างนั้นเหมือนกันจะเอาอย่างพระพุทธเจ้าเหมือนกันเนี่ไม่รู้เรื่องว่ารถของเรานั้นมันเป็นรถเล็กๆรถของท่านมันเป็นรถใหญ่ท่านบรรทุกทีเดียวก็หมดเราเอารถเล็กไปบรรทุกทีเดียวมันจะหมดเมื่อไหร่มันคนละอย่างกันเพราะอะไรมันถึงเป็นอย่างนั้นมันเกินไป บางทีมันก็ต่ำเกินไปบางทีมันก็สูงเกินไปที่พอดีพอดีมันหายากอันนี้ก็พูดไปตามความรู้สึกของอาตมาอาตมาปฏิบัติมาอย่างนี้ก็ปฏิบัติให้ละความอยากถ้าไม่อยากมันจะทําได้หรือมันก็ติดแต่ทําด้วยความอยากมันก็เป็นทุกข์อีกไม่รู้จะทํำยังไงยังงงเหมือนกัน ที่นี้อาตมาจึงเข้าใจว่าการปฏิบัติที่ปฏิบัติต่อเ น, นืน่องกันไปเป็นของสาคัญมากต้องทำสม่ำเสมอท่านเรียกว่าอิรยาบทสม่าเสมอคือสม่ำเสมอในการปฏิบัติทำให้มันดียิ่งขึ้นไปไม่ใช่ให้มันวิบัติกันปฏิบัติมันเป็นอย่างหนึ่งวิบัติมันเป็นอย่างหนึ่งโดยมากพวกเราทั้งหลายมาทาแต่เรื่องที่มันเป็นวิบัติกันขี้เกียจไม่ทขยันจึงทา นี่อาตมาก็ชอบเป็นอย่างนี้ขี้เกียจไม่ทําขยันจึงทําพวกท่านทั้งหลายคิดดูสิว่าถูกหรือเปล่าขยันจึงทําขี้เกียจไม่ทํามันถูกธรรมะไหมมันตรงไหมมันเหมือนกับคําสอนไหมอันนี้ปฏิปทาของเรายังไม่สม่ําเสมอแล้วขี้เกียจหรือขยันต้องทําอยู่เรื่อยพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นโดยมากคนธรรมดาเรานั้นขยันจึงค่อยทําขี้เกียจไม่ทํานี่มันเป็นเสอย่างนี้ มันปฏิบัติอยู่แค่นี้ก็เรียกว่ามันวิบัติะแล้วมันไม่ใช่ปฏิบัติการปฏิบัติจริงๆแล้วมันสุขก็ปฏิบัติมันทุกข์ก็ปฏิบัติมันง่ายก็ปฏิบัติมันยากก็ปฏิบัติมันร้อนก็ปฏิบัติมันเย็นก็ปฏิบัตินี่เรียกว่าตรงไปตรงมาอย่างนี้ปฏิปทาที่เราต้องยืนเดินนั่งนอนการมีความรู้สึกนึกคิดที่เราจะต้องปฏิบัติในหน้าที่การงานของเรานั้นจะต้องสม่ำเสมอ ทำสติให้สม่ำเสมอในอิริยาบทการยืนการเดินการนั่งการนอนนี่เมื่อพิจารณาดูแล้วก็เหมือนอิริยาบทยืนให้เท่ากับเดินเดินก็เท่ากับยืนยืนก็เท่ากับนั่งนั่งก็เท่ากับนอนนะอันนี้อาตมาทำแล้วทำไม่ได้ คนนักปฏิบัตินี้ต้องทําการยืนการเดินการนั่งการนอนให้ได้เสมอกันจะทําได้สักกี่วันละ่ะจะยืนให้เสมอกับนั่งยืนห้านาทีนั่งห้านาทีนอนห้านาทีอะไรทั้งหลายนี้อาตมาทําไม่นานก็มานั่งคิดพิจารณาใหม่อะไรกันเนาอย่างนี้คนในโลกนี้ทําไม่ได้หรออาตมาพยายามทําไปค้นไปคิดไปอ๋อมันไม่ถูกมันไม่ถูกดูแล้วมันไม่ถูกทําไม่ได้นอนกับนั่ง กับเดินกับยืนทําให้มันเท่ากันจะเรียกว่าอิริยาบถสม่ําเสมอกันแบบท่านบอกไว้ว่าทําอิริยาบถให้สม่ําเสมออย่างนั้นไม่ได้แต่ว่าเราทําอย่างนี้ได้จิตพูดถึงส่วนจิตของเราให้มีสติความระลึกอยู่สัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ปัญญาความรอบรู้อยู่อันนี้ทําได้ อันนี้น่าจะเอาไปปฏิบัติคือเรียกว่าถ้าเราปฏิบัติเราจะยืนอยู่ก็มีสติเราจะนั่งอยู่ก็มีสติเราจะเดินอยู่ก็มีสติเราจะนอนก็มีสติอยู่สม่าเสมออย่างนี้อันนี้ไปได้จะเอาตัวรู้ไปเดินไปยืนไปนั่งไปนอนให้เสมอกันทุกิริยาบถไปได้ดังนั้นเมื่อเราฝึกจิตของเราจิตจะมีความรู้สม่าเสมอในการปฏิบัติกับทุกิริยาบทว่า พุโทโธพุโทโธพุโทโธคือความรู้รู้จักอะไรรู้จักภาวะที่ถูกต้องรู้จักลักษณะที่ถูกต้องอยู่เสม อ, อนั้นจะยืนก็มีจิตอยู่อย่างนั้นจะเดินก็มีจิตอยู่อย่างนั้นเอออันนี้ได้ใกล้เข้าไปเลื่อเกิดเฉียดเข้าไปมากเลื่อยเกิดเรียกว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอยู่นี้มันมีสติอยู่เสมอทีเดียวอันนี้รู้จักธรรมที่ควรละรู้ธรรมที่ควรปฏิบัติ สุขก็รู้ทุกก็รู้เมื่อมันรู้สุขรู้ทุกจิตใจเราจะวางตรงที่ว่ามันไม่สุขไม่ทุกเพราะว่าสุขนั้นมันก็เป็นทางย่อนกามาสุขันลิานุโยคโขทุกนั้นมันเป็นทางตึงคืออัตตะกิละมัฐานุโย ค, โคถ้าเรารู้สุขรู้ทุกอย่างนี้เรารู้จักสิ่งทั้งสองนี้ถึงแม้ว่าจิตใจเรามันจะเองไปเองมาเราก็ชักมันไว้อยู่ เรารู้อยู่ว่ามันจะเองไปทางสุขกดชักมันไว้มันจะเอนไปทางทุกข์กดชักมันไว้ไม่ให้เองไปรู้อยู่อย่างนี้น้อมเข้ามาเส้นทางเดียวเอโกธรรมมองนี่น้อมเข้ามาในทางที่รู้ไม่ใช่ว่าเราปล่อยไปตามเรื่องของมันแต่ว่าเราปฏิบัติกันนี้มันก็อยากจะเป็นอย่างนั้นนะมันปล่อยตามใจถ้าเราปล่อยตามใจมันสบายนะ แต่ว่ามันสบายก็เพื่อไม่สบายอย่างมันขี้เกียจทำงานเนี่ยมันก็สบายแต่ว่าเมื่อถึงเวลาจะกินไม่มีอะไรจะกินมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นอาตมาก็ไปเถียงคาสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งมีอยู่หลายบทหลายเหล่าเหมือนกันสู้ท่านไม่ได้ทุกวันนี้อาตมายอมรับท่านแล้วยอมรับว่าธรรมะทั้งหลายของท่านถูกต้องทีเดียวฉะนั้นจึงเอาคาสอนของท่านนี้มาอบรมตัวเองและศิษยานุศิ์ทั้งหลาย นี่พูดตามความรู้สึกที่มันเกิดา ก, การปฏิบัติที่สำคัญที่สุดคือปฏิปทาปฏิปทาคืออะไรคือการกระทําของตัวเรานั่นแหละการยืนการเดินการนั่งการนอนทุกประการปฏิปทาทางกายปฏิปทาทางจิตของเรานั่นและวันนี้มันมีจิตใจเศร้าหมองในการทางานกี่ครั้งไหมมีใจสบายไหมมีอะไรเป็นอะไรไหม อันนี้เราต้องรู้มันรู้จักตัวเองอย่างนี้รู้แล้วมันวางได้ไหมอันที่มันยังวางไม่ได้ก็พยายามปฏิบัติมันเมื่อมันรู้ว่าวางไม่ได้ก็ถือไว้เพื่อเอาไปพิจารณาด้วยปัญญาเราอีกให้มีเหตุผลค่อยๆทำไปอย่างนี้เรียกว่าการปฏิบัติอย่างเช่นวันนี้มันก็ขยันก็ทําขี้เกียจก็พยายามทา ไม่ได้ทำมากก็ขอให้ได้สักครึ่งหนึ่งก็เอาอย่าไปปล่อยวันนี้ขี้เกียจไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกเสียหายเลยไม่ใช่นักปฏิบัติแล้วทีนี้อาตมาเคยได้ยินแหมปีนี้ผมแย่เหลือเกินทำไมผมป่วยทั้งปีไม่ได้ปฏิบัติเลยโอโหมันจนจะตายแล้วก็ยังไม่ได้ปฏิบัติอีกจะไปปฏิบัติเมื่อไหร่ถ้าหากว่ามันสุขจะปฏิบัติไหมมันสุขก็ไม่ปฏิบัติอีกมันติดสุขเท่านั้นแหละ แต่ทุกมันไม่ปฏิบัติก็ติดทุกยอยู่นั่นหะไม่รู้จะไปปฏิบัติกันเมื่อไหร่ได้แต่รู้ว่ามันป่วยมันเจ็บมันไข้จนจะตายนั่นแหละให้มันหนักๆเถอะที่เราจะต้องปฏิบัติเอาเมื่อเราสบายเกิดขึ้นมามันก็ต้องชูใจของเรายกหูชูหางขึ้นไปสูงๆอีกมันก็ต้องมาปฏิบัติมันอีกสองอย่างนี้หมายความว่าจะเป็นสุขก็ต้องปฏิบัติจะเป็นทุกข์ก็ต้องปฏิบัติจะอยู่สบายๆอย่างนี้ก็ต้องปฏิบัติ จะเป็นไข้อยู่ก็ต้องปฏิบัติมันจึงจะถูกแปบถ้าเราคิดอย่างนี้ปีนี้ผมไม่ปฏิบัติทำไมไม่ปฏิบัติผมเป็นไข่ไม่สบายครับเออเมื่อมันสบายมันก็ร้องเพลงไปเท่านั้นอย่างนี้มันเป็นความคิดผิดนะไม่ใช่ว่ามันไม่ผิดดังนั้นพระโยคาวจรเจ้าท่านจึงมีปฏิปทาสม่าเสมอในการปฏิบัติเรื่องจิตเป็นก็ให้เป็นแต่เรื่องการมีระยะหนึ่งที่อาตมาพยายามปฏิบัติ ตอนนั้นปฏิบัติได้ประมาณห้าพันสาลก็อยู่กับเพื่อนมากเพื่อนมากนะมันรําคาญเพื่อนคนนี้ก็พูดอย่างนั้นคนนั้นก็พูดอย่างนี้เรานั่งอยู่กุฏิจะปฏิบัติกรรมฐานก็จะมีเพื่อนขึ้นไปคุยด้วยวุ่นวายหนีหนีไปคนเดียวว่าเพื่อนอน่ะกวนเราไม่ได้ปฏิบัติเบือ่อไปอยู่ในป่ารกวัดป่าวัดเล็กๆร้านไปแล้วมีหมู่บ้านน้อยน้อ ย, อยไปนั่งคนเดียวไม่ได้พูด เพราะอยู่คนเดียวเนี่ยอยู่ได้สักประมาณสิบห้าวันก็เกิดความคิดมาอีกแล้วแมมอยากได้เนนเล็กๆสักรูปนึงก็ดีนะอยากได้ปากขาวมาสักคนก็ดีเพื่อจะได้มาใช้อะไรเล็กๆน้อยๆนี่เราก็รู้อยู่ว่ามันจะออกมาท่าไหนออกมาทั้งนั้นแหละเอแกในตัวสำคัญเมื่อเพื่อนเบื่อภิกษสุสา ม, มาเนนมาแล้วยังอยากออกเพื่อนมาอีกทำไมแล้วพร่ มันว่าเอาเพื่อนที่ดีแน่คนดีมีที่ไหนเห็นหั้มหาคนดีเห็นไหมคนทั้งวัดมีแต่คนไม่ดีทั้งนั้นแหละดีเราคนเดียวละมั้งเราจึงหนีเขามาเนี่ยต้องตามมันอย่างนี้สะกดรอยตามกันไปมันรู้สึกขึ้นมาเอออันนี้มันก็สาคัญเหมือนกันนะแล้วคนดีอยู่ที่ไหนไม่มีคนดีทั้งนั้นแหละคนดีอยู่ที่ตัวเราทุกวันนี้อาตมาก็ยังมาสั่งสอนลูกศิษย์อาตมาอยู่เสมอว่า คนดีไม่มีที่อื่นอยู่ที่ตัวเราถ้าเราดีเราไปไหนมันก็ดีเขาจะนินทาเขาจะสันเสริญเราก็ยังดีอยู่เขาจะว่าอะไรทำอะไรเราก็ยังดีอยู่ถ้าเรายังไม่ดีเขานินทาเราเราก็จะโกรธถ้าเขาสันเสริญเราเราก็จะชอบอย่างเก่าเท่านั้นแหละวันนั้นอาตมาภาวนาได้อย่างนั้นมีความรู้สึกอย่างนั้นก็รู้สึกตั้งแต่วันนั้นมารู้ได้ตามเป็นจริมีความจริงอยู่เท่าทุกวันนี้ อันความดีมันอยู่กับตัวเองพอได้เห็นปุ๊บความรู้สึกมันลดลงมันจำตั้งแต่วันนั้นเลยต่อมามีขึ้นมามันก็ปล่อยไปมีขึ้นมามันก็รู้มีขึ้นมามันก็รู้เรื่อยปอันนี้เป็นรากฐานเราจะไปอยู่ที่ไหนคนเขาจะรังเกียจหรือคนเขาจะว่าอะไรก็ถือว่าไม่ใช่เขาดีหรือเขาชั่วถ้ามันดีมันชั่วคือตัวเรานี้คนอื่นมันเรื่องของคนอื่นเขามันเป็นอยู่อย่างนั้น อย่าไปเข้าใจว่าแม่วันนี้ร้อนวันนี้มันเย็นวันนี้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้วันมันจะเป็นอย่างไรมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นความจริงตัวเรามันเสื่อสใสไปให้โทษเขาท่นั้นท่านว่าเห็นธรรมะเกิดกับตัวเองนี่แหละมันแน่นอนและได้ความสงบระงับด้วย ฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้มาอบรมในวันนี้แม้ไม่กี่วันอาตมานึกว่าคงจะมีอะไรขึ้นมาหลายอย่างมีขึ้นมาก็ยังไม่รู้มันมีเยอะแยะนะไม่ใช่ว่าเรารู้มันนะที่ไม่รู้มันก็เยอะแยะคิดถูกก็มีพิษก็มีอะไรหลายๆายอย่างที่มันเป็นมาฉะนั้นการปฏิบัติจึงว่ามันยากถึงแม้พวกท่านทั้งหลายจะมานั่งสงบไปบ้างก็อย่าคิดสรรเสริญมัน มันจะมีความวุ่นวายไปบ้างก็อย่าไปให้โทษมันถ้ามันดีก็อย่าพึงไปชอบมันถ้ามันไม่ดีก็อย่าพึงไปรังเกียจมันพากันดูไปเถอะให้ท่านดูของท่านไปดูไปอย่าพึงไปว่ามันถ้ามันดีก็อย่าพึงไปจับมันชั่วก็อย่าพึงไปจับมันเดี๋ยวมันจะกัดนะดีมันก็กัดชั่วมันก็กัดอย่าพึงไปจับนะฉะนั้นการปฏิบัตินี้จึงว่านั่ง นั่นแหละปฏิบัตินั่นดูไปมันมีอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วสลับสับซ้อนกันไปเป็นธรรมดาของมันอย่าไปสรนเสริญจิตของเราอย่างเดียวอย่าไปให้โทษมันอย่างเดียวให้รู้จักกาละรู้จักเวลาของมันเมื่อถึงคราวสันเสริญก็สันเสริญมันหน่อยสรนเสริญให้พอดีอย่าให้หลเหมือนกับสอนเด็กนั่นแหละบางทีก็เครียดมันบ้างเอาไม้เรียวเล็กๆเครียดมันไม่เครียดไม่ได้อันนี้บางทีก็ให้โทษมันบ้างอย่าให้โทษมันเรื่อยไป ให้โทษมันเรื่อยไปมันก็ออกจากทางเท่านั้นถ้าให้สุขให้คุณมันเรื่อยไปมันไปไม่ได้การประพฤติปฏิบัติไม่ใช่อย่างนั้นเราปฏิบัติไปตามสายกลางสายกลางคืออะไรสายกลางนี่มันยากจะเอาจิตของเราเป็นประมาณจะเอาตัณหาของเราเป็นประมาณไม่ได้ฉะนั้นการปฏิบัติของท่านทั้งหลายเนี่ย อย่าพึงถือว่าการนั่งหลับตาอย่างเดียวเป็นการปฏิบัติเมื่อออกจากนั่งแล้วก็ออกจากการปฏิบัติอย่าเข้าใจอย่างนั้นถ้าเข้าใจอย่างนั้นก็รีบกลับมันสิที่เรียกว่าการปฏิบัติสม่ำเสมอคือเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนให้มีความรู้สึกอยู่อย่างนั้นเมื่อเราจะออกจากสมาธิก็อย่าเข้าใจว่าออกจากสมาธิเพียงเปลี่ยนอริยาบทเท่านั้นถ้าท่านทั้งหลายคิดอย่างนี้ก็จะสุขใจ เมื่อท่านไปทำงานอยู่ที่ไหนไปทำอะไรอยู่่านี้ท่านจะมีการภาวนาอยู่เสมอมีเรื่องติดใจมีความรู้สึกอยู่เสมอถ้าหากท่านองค์ใดตอนเย็นๆก็มานั่งเมื่อออกจากสมาธิแล้วก็เรียกว่าได้ออกแล้วไม่มีเยื่อใหญ่ออกไปเลยส่งอารมณ์ไปเลยตลอดทั้งวันก็ปล่อยอารมณ์ตามอารมณ์ไปไม่มีสติเย็นต่อไปนึกอยากจะนั่งพอไปนั่งปุ๊บก็มีแต่เรื่องใหม่ทั้งนั้นเข้ามาสม ปัจจัยเรื่องเก่าที่มันสงบก็ไม่มีเพราะทิ้งมันไว้ตั้งแต่เช้ามันก็เย็นนะสิทำอย่างนี้เรื่อยๆมันก็ยิ่งห่างไปทุกปีทุกปีอาตมาเห็นลูกศิษย์บางองค์ก็ถามเขาเป็นยังไงภาวนาเขาตอบว่าเดือนนี้หมดแล้วครับนี่เอาสักเดือนสองเดือนอยังอยู่พอสักปีสองปีมันหมดแล้วทําไมมันหมดก็มันไม่ยึดหลักอันนี้ไว้เมื่อนั่งแล้วก็ออกจากสมาธิ ทำไปทำไปนั่งน้อยไปทุกทีทุกทีนั่งเดียวเดียวก็อยากออกนั่งประเดียวก็อยากออกนานๆเข้าก็ไม่อยากจะนั่งเลยเหมือนกับการกราบพระเมื่อเวลาจะนอนก็อุตสาห์กราบกราบไปเรื่อยๆบ่อยๆนานๆใจมันห่างแล้วต่อไปไม่ต้องกราบดูอกก็ได้นานๆนนก็เลยไม่กราบดูเอาเท่านั้นแหละมันจะส่งเราออกนอกข้อไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ย ให้เราทั้งหลายรู้ว่ามีสติมีไว้ทำไมให้เป็นผู้ศึกษาสม่าเสมออย่างนั้นการปฏิบัตินี้จึงเป็นการปฏิบัติสม่าเสมอจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันเป็นของมันเสียจริงๆถือการทำเพียรการภาวนามันเป็นการที่จิตไม่ใช่เป็นที่กายของเราจิตของเรามันเลื่อมใสอยู่จิตของเรามันตรงอยู่มันมีกาลังอยู่มันรู้อยู่ที่จิต จิตนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากการยืนการเดินการนั่งการนอนอิริยาบททั้งหลายนั้นมารวมที่จิตจิตเป็นตัวรับภาระทำงานมากเหลือเกินเกือบทุกสิ่งเกือบทุกส่วนฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจถูกมันก็ทำถูกเมื่อทำถูกแล้วมันก็ไม่ผิดถึงทำแต่น้อยมันก็ถูกน้อย เช่นว่าเมื่อเราออกจากสมาธิแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้เราอย่างไม่ออกเราเปลี่ยนอิริยาบทมันตั้งอยู่อย่างเต่านั่นแหละจะยืนจะเดินจะเหินไปมามันก็มีสติอยู่สม่ำเสมอถ้าเรามีความรู้อย่างนั้นจิตธุระภายในใจของเราก็ยังมีอยู่ถ้าเรานั่งตอนเย็นวันใหม่มานั่งลงไปมันก็เชื่อมกันได้ติดต่อกันไปได้มันก็มีกาลังนี้ได้ขาดมันเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องสงบ ติดต่อกันอยู่อย่างนั้นอันนี้เรียกว่าปฏิปทาสม่ำเสมอในจิตนั้นถ้าจิตใจของเรามีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอแนละ้วสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันก็เป็นไปเองมันค่อยๆเป็นไปเองจิตใจมันจะสงบก็เพราะจิตใจมันรู้จักผิดถูกมันรู้จักเหตุการณ์ของมันมันถึงจะสงบได้เช่นว่าศีลก็ดีสมาธิก็ดี จะดำเนินอยู่ได้มันก็ต้องมีปัญญาบางคนเข้าใจว่าปีนี้ผมจะตั้งใจรักษาศีลปีหน้าจะทําสมาธิปีต่อไปจะทําปัญญาให้เกิดอย่างนี้เป็นต้นเพราะเข้าใจว่ามันคนละอย่างกันปีนี้จะทําศีลใจไม่มั่นจะทําได้ยังไงปัญญาไม่เกิดจะทําได้ยังไงมันก็เหลวทั้งนั้นไงความจริงนั้นมันก็อยู่ในจุดเดียวกันศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดี เมื่อเรามีศีลขึ้นมาสมาธิก็เกิดเท่านั้นสมาธิเราเกิดขึ้นมาปัญญามันก็เกิดเท่านั้นมันเป็นวงกลมครอบกันอยู่อย่างนี้มันเป็นอันเดียวกันเหมือนมะม่วงใบเดียวกันเมื่อมันเล็กก็เป็นมะม่วงใบนั้นเมื่อมันโตมาก็เป็นมะม่วงใบนั้นเมื่อมันสุกมาก็เป็นมะม่วงใบนั้นถ้าเราคิดกันง่ายอย่างนี้มันก็เป็นธรรมะที่เราต้องปฏิบัติไม่ต้องเรียนอะไรมากมายให้เรารู้มันเถอะ รู้ตัวจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้รู้ข้อปฏิบัติของตัวเองฉะนั้นการทําสมาธินี่บางคนไม่ได้ตามปรารถนาแล้วก็เลิกก็หยุดหาว่าตนไม่มีบุญวาสนาแต่ว่าไปทําชั่วได้บารมีชั่วทําได้บารมีดีๆทําไม่ค่อยได้เลิกเลยปัจจัยมันน้อยมันเป็นกันเสีอย่างนี้แหละพวกเราไปเข้าข้างแต่อย่างนั้น ดังนั้นเมื่อท่านมีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติแล้วถึงแม้ว่าสมาธิมันทํายากหรือมันทําง่ายหรือว่ามันไม่ค่อยเป็นสมาธิมันก็เป็นเพราะเราไม่ใช่เป็นเพราะสมาธิมันเป็นเพราะเราเราทําไม่ถูกมันฉะนั้นการทําเพี้ยนนี่ยท่านจึงได้ว่าเป็นสัมมาทิฏฐิรู้มันซะก่อนว่าเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเมื่อความเห็นชอบอะไรมันก็ชอบไปหมด สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมากัมมันโตสัมมาทุกอย่างทั้งแปประการนมีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นอันเดียวเท่านั้นมันก็เชื่อมกันไปเลยสม่ำเสมอกันไปเรื่อยเรื่มันเป็นอย่างนี้อย่างไรก็ตามอย่าไปไล่มันออกไปข้างนอกเลยให้มันดูอยู่ข้างใน ด, ออดีกว่าดีกว่ามันเห็นชัดอย่าพึงไปอ่านข้างนอกทางที่ดีที่สุดเลย ตามความเข้าใจของอาตมาไม่อยากใช้อ่านหนังสือเลยเอาหนังสือใส่หีปิดมันซะใส่หีบปิดให้มันดีอ่านใจของตนเท่านั้นที่เราดูหนังสือมันนี้ก็ตั้งแต่วันขึ้นโรงเรียนมาเรียนกันทั้งนั้นดูแต่หนังสือกันจะเป็นจะตายอาตมาว่ามันมีโอกาสมีเวลามากหรือเกิดเวลาเช่นนี้เอาหนังสือใส่หีปิดเสีย ให้มันดีซะเลยอ่านใจเท่านั้นแหละเมื่อมันเกิดอะไรขึ้นมาในใจของเราเนี่ยมันเป็นอารมณ์เกิดขึ้นมาที่เราชอบใจไม่ชอบใจก็ตากเราเห็นว่ามันผิดมันถูกก็ตักให้เราตัดมันไปเลยว่าอันนี้มันไม่แน่จะเกิดอะไรขึ้นมาก็ช่างมันเอะสับมันลงไปไม่แน่ไม่แน่อย่างเดียวขวานเล่มเดียวสับมันลงไปไม่แน่ทั้งนั้นเลย ตลอดในเดือนหนึ่งที่มาพักอยู่ในวัดป่าเนี่ยอาตมาว่ามันมีกำไรมากเหลือเกินจะได้เห็นของจริงตัวไม่แน่คือตัวสำคัญนะตัวให้เกิดปัญญานะยิ่งตามมันไม่แน่ตัวไม่แน่ที่สับมันไปมันจะเวียนไปเวียนไปแล้วมาพบอีกเออไม่แน่จริงๆมันโผล่มเอาเมื่อไหร่เอาป้ายปิดหน้ามันไว้ว่ามันไม่แน่ ติดป้ายมันไว้ปุ๊บมันไม่แน่ดูไปดูไปเดี๋ยวมันก็เวียนไาอเวียนมาครบรอบเอออันนี้ไม่แน่ขุดเอาตรงนั้นมันก็ไม่แน่เห็นคนคนเดียวกันที่มาหลอกเราอยู่กระทั่งเดือนกระทั่งปีกระทั่งเกิดกระทั่งตายคนคนเดียวมันหลอกเราอยู่อย่างนั้น เ, เราจะเห็นชัดอย่างนี้มันจะเห็นว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองทีนี้เมื่อมันเป็นอย่างนั้น เราก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายเพราะว่ามันไม่แน่เคยเห็นไหมดูสินาฬิกาเรือนนี้มาสวยเหลือเกินซื้อมาเถอะไม่กี่วันก็เบื่อมันไม่กี่เดือนก็เบื่อมันซื้อเสื้อตัวนี้ซื้อมาชอบมันเหอเกิดเอามาใส่ไม่กี่วันทิ้งมันไปซะแล้วมันเป็นอยู่อย่างนี้มันแน่ที่ตรงไหนล่ะนี่ถ้าเห็นมันไม่แน่ทุกสิ่งทุกอย่างราคามันก็น้อยลง อารมณ์ทั้งหลายนั้นมันเป็นอารมณ์ที่ไม่มีราคาแล้วของที่ไม่มีราคาแล้วเราจะเอาไปทำไหมเก็บมันไว้ก็เหมือนผ้าเราขาดก็เอามาเช็ดหมอข้าวเอามาเช็ดเท้าเท่านั้นเห็นอารมณ์ทั้งหลายมันก็สม่าเสมอกันอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้มันเป็นสามันลักษณะมีอะไรก็เสมอกันอย่างนั้นเ <het> มื่อเราเห็นอารมณ์ทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเราก็เห็นโลกโลกนั้นคืออารมณ์ อารมณ์นั้นก็คือโลกเราไม่หลงอารมณ์ก็ไม่หลงโลกไม่หลงโลกเราก็ไม่หลงอารมณ์เมื <ø> ่อจิตเป็นเชน่นนี้จิตก็มีที่อาศัยจิตก็มีรากฐานจิตก็มีปัญญาหน า, นานแน่นจิตอันนี้จะมีปัญหาน้อยแก้ปัญหาได้ทุกประกาศเมื่อปัญหามันหมดไปความสงสัยมันก็หมดไปอย่างนี้ ความสงบมันก็ขึ้นมาแทนอันนี้เรียกว่าการปฏิบัติถ้าปฏิบัติกันจริงๆก็ต้องเป็นอย่างนั้น